ทำความเข้าใจเรื่องสังขารเราเรียนธรรมะสังขารมีสองอุปาทินนกสังขารสังขารมีใจครองอนุปาทินนกสังขารสังขารไม่มีใจครองสังขารมีใจครองได้แก่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทวดาอินพรมยมยักษ์ทั้งหลาย อันนี้เรียกว่าสังขารมีใจครองสังขารไม่มีใจครองดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนเป็นต้นทั้งสองอย่างนี้หลักธรรมะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้มาพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้วคล้ายๆกับว่าธรรมะเนี่ยสอนให้เราไปเที่ยวกล่าวตูสิ่งอื่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทีนี้ในเมื่อจิตของเราศึกษาเรื่องสังขารให้ละเอียดลงไปจริงๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาเท่านั้นแต่ตัวที่ว่าสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงมันก็คือจิตของเราที่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆในเมื่อเราเข้าใจธรรมะละเอียดแล้วเราจะไม่ไปโทษสิ่งเหล่านั้นสังขารไม่เที่ยงก็คือจิตของเราไม่เที่ยง มันยังวันไหวต่ออารมณ์ถ้าหากว่าจิตของเราเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความสุขและความทุกข์เพราะเหตุนั้นไม่มีมันก็เป็นสังขารที่เที่ยงคือจิตใจของเรามันเที่ยงแต่ความไม่เที่ยงของเบญจขันยังมีอยู่แก่เจ็บตายมันก็ยังมีพระอรหันต์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังมีในพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์จิตของท่านอาจจะปรุงแต่ง in แต่เวทนาที่เกิดจากอารมณ์ของท่านไม่มีจิตของท่านอาจจะปรุงแต่งแต่เวทนาที่เกิดจากอารมณ์ของท่านไม่มีแต่ถ้าหากว่าท่านเข้าสมาธิเวทนาสุขทุกข์ของท่านก็ยังมีเมื่อจิตเกิดปิติสุขก็คือเวทนา แต่สิ่งที่จะปรากฏสำหรับผู้ที่สำเร็จอรหันแล้วเนี่ยคือทุกกายความเจ็บความไข้แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์นั้นๆสัญญาอานิจจาความทรงจำไม่เที่ยงระอรหันก็มีเพราะว่าความทรงจำนี่มันเกี่ยวเนื่องกับประสาททางสมองความหลงความลืมอะไรต่างๆ ยังมีอยู่อย่างปกติสามัญชนเช่นความจำอะไรต่างๆมันลืมเลือนไปแต่คุณธรรมที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงภูมิจิตภูมิใจที่ดำเนินไปตามคันลองของสมาธิของยานของฌานนี่ก็เสื่อมเป็นเพราะอันนี้มันก็เป็นเรื่องโลกโลกเรื่องโล ก, กีวิสัยแต่ความหมดกิเลส ข, ของท่านไม่มีเสื่อม ศีล ส, สมาธิปัญญาที่เรารีบเร่งบำเพ็ญเพียรกันหามรุ่งหามค่ำเราบำเพ็ญเพื่อสร้างพลังจิตให้ไปบรรลุความเป็นพระอระหันต์ในเมื่อบรรลุความเป็นพระอระหันต์พระอระหันต์ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเปรียบเหมือนพาหนะสําหรับขับขี่เพื่อนําไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วพาหนะก็ไม่มีความหมาย ความสำเร็จพระอาหารหันต์มันอยู่เหนือศีลสมาธิปัญญาอยู่เหนือเหตุเหนือผลแต่ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องดำเนินจึงจะไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ได้